ยาซีเรียกเรื่องล้วนแต่เป็นคนไม่ดี <S <S วัดเหนือและวัดใต้แต่ละแห่งมีพระและเนรอาศัยอยู่สิบกว่ารูป พระเนในวัดเหนือสามัคคีกันมากการปฏิบัติบำเพ็ญก็ค่อนข้างก้าวหน้าส่วนพระเนในวัดใต้ต่างก็อิจฉากันไม่มีความสามคัคคีพระอาจารย์ฉือหยินเจ้าอาวาสวัดใต้รู้สึกอัปอายกับเรื่องนี้มากและนึกชมเชยวัดเหนืออยู่ในใจท่านอยากจะทราบถึงสาเหตุแต่จนแล้วจนรอด ก็หาสาเหตุไม่พบวันหนึ่งเมื่อท่านไปเยี่ยมเยียนวัดเหนือเลยถือโอกาสถามถึงปัญหานี้เจ้าอาวาสวัดเหนือตอบเรียบๆว่าก็ไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่พระเนนทีนี่ล้วนแต่เป็นคนไม่ดีต่างจึงให้กำลังใจกันสามเคีกัน คำตอบสั้นๆเช่นนี้แม้จะเป็นการท่อมตนแต่ก็ไม่กระจ่างอยู่ดีต่อมาขณะที่เจ้าอาวาสวัดใต้ไปเยี่ยมเยียนวัดเหนือก็ได้ยินคำพูดตำหนิตนเองดังมาจากในโบสถ์อย่างไม่ตั้งใจเป็นเพราะผมไม่ดีเองหากผมถูกพื้นเร็วกว่า น, นี้หน่อยหลวงพี่ก็คงไม่ลื่นล้ม คนแรกกล่าวไม่ผมสะพราวเองใจร้อนเดินเร็วเกินไปถึงได้เดินหกล้มพระที่ลื่นหกล้มกล่าวก่อนที่หลวงพี่จะเข้ามาในโบสถ์ถ้าผมเตือนสักคำก็คงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเป็นเพราะผ ม, มไม่ดีเองพระคนที่สองกล่าวเอาละ อย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นต้องโทษตัวผมเองที่ไม่ระมัดระวังพระที่หกล้มกล่าวเจ้าอาวาสวัดใต้ตอนนี้จึงเข้าใจความหมายอันแท้จริงของคำว่าล้วนแต่เป็นคนไม่ดี